ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่มีอะไรที่จะสุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความสกรปรกก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสกระปรกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนเลยว่ามนโนปุพังคมาธรรมามโนเสถิษฐามนโนมายามันทั้งหลายทุ่มคญอยู่ที่ใจทั้งทัเร็จแล้วโดยใจนะศา ส, สนาก็สอนลงที่ใจศา ส, สน า, ส อ, นสสนาออกก็ออกจากใจ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 คือธนาราปะบาปะเบวิโลกาลังทรงเรีญานดูสัตวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาข่ายคือพยานของพระองค์คําว่าเลีญานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เรียานดูจิตใจนั่นเองทตานม่ได้เลีญานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่าคนและสัตว์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 พระก็สอนกต่ใช่ว่าสิ่งที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของสัตโโลกมีอยู่ด้วยกันเป็นต่เพียงว่ทาทั้งนั้นอย่างไม่ทราบถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วข้งตน้นไม่มีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกว่าใจสกปรกไม่มีวันสะอาดเลยร่างกายเราสกปรกยังมีวันชะวันล่างอาบ เสื้อผ้าบางเจงสถานที่สกรปรกยัง ม, มีวันชาระซักฟอกเช็ดถูล้างให้สะอาดสะอ้านแต่ได้เป็นการเป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับโดยเจ้าของไม่สนใจนั่นนั้นสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสกรปรกไปตลอดกาลจนระทั่งตั้งแต่วันเกิดจนระทั่งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้นพบไหนก็พบไหน ก, นน ก, นน ก, นนก็มีตั้งแต่เรื่องสกรปรกพาให้เป็นไป ถ้าให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นาะนอันเดียวสกโปกสิ่งที่สกโปกมันจะพาไปดีได้ไหมอยู่ก็อยู่กับความโซกโปกไม่ใช่ของดีผลทางความสกรปรกก็คือความทุกข์ความลําบากคติที่ไปก็ลําบากสถานที่อยู่ก็ลําบากกํางเนิดที่เกิดก็ลําบากมีแต่ของลําบากลําบากหมดเพราะความสซกโปกของใจ จึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่โสกรปรกไม่มีสิ่งใดที่จะน่าเสียดเสียดามากขึ้นกว่าใจที่โสกรปรกอย่างอื่นโสกโปรกไม่ค่อยได้มีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจสกโปรกนี้ต้องหาผู้สําคัญมาสอนถึงจะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักพอกจิตใจที่โสกโปรกนี่ให้สะอาดสะอ้านแต่ด้านอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงรู้สรงเหุมและทรง สลับเป็นสละตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของกรโองค์เองตลอดทุกวิธีแก้ไขแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามวิธีที่ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลนั้นมาแล้วยิ่งต้องมีครูเมียาจารย์สอนอย่างนี้นความทุกข์ันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปรกนันเองออกวาจากความโง่ โง่ต่อตัวเองเนี่ก็โง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่ อ, อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบ อ, อะไรผิดอะไรถูกแม้มาชอบใจก็ต้องได้ยึดเนี่ยต้องได้ฟ้าคนเราจึงต้องมีทุก ท, ท, ทั้งๆที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกฝนทุกเว ล, เวลาขอบว่ามไม่สามารถที่จะลบดีด ต, ตัวได้ด้วยอุบายต่างๆแห่งความฉลาดทั้งปนมั่นแหลกจึงต้องอาศัยคําสอนของพระพทุทธเจ้า เวลาไดรับการซักฟอกอยู่ด้วยความดีทั้งหลายเป็นลําดับลําดับมาทานก็เป็นการซักฟอกกิเลสประเภทหนึ่งศีลก็เป็นการซักฟอกกิเลสประเภทหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักฟอกกิเลสประเภทต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนาหมื่เลื่อนแล้วตั้งแต่เป็นน้ําพระอาทิตย์ซักฟอกสิ่งสุก็ตกที่รวบรวมดังดอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั้งแลาย บายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าที่เนี่ยสอนกันมาเป็นลําดับลำดับลำดาตรงนี้เนี่ยผ่านไปแล้วโอ้นั่นก็มาตรัสรู้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเพื่อจะแก้ที่เหลือธนาสะวะของสัตว์โลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนเหมือนกันหมดนี่เรานะว่ามีวาสนาได้เป็นผู้ไพร่ต่อศีลต่อธรรม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 มีความรักค่ายฝ่ายใจในธรรมการเพืปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาห์พยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงอบต้มเย็นเป็นความเรลินอยู่ภายจิตใจทันจทงว่ารถอะไรก็สู้รถแห่งธรรมไม่ได้เนี่ยรถแห่งธรรมะำนานรถทั้งหลายคือรถอันนี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีเบื่อไม่มีคินมีทาเป็นรถด้วยวเป็นความสุขหรือเป็นความรื่นึ่งที่ดูดดื่มไปโดยลำหนักลานา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 ควาพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เราเราบังคับเราบังคับคนอื่นนั่งยาก ย, ากยิ่งกว่าเอาบังคับเราเร า, เราอยู่กับตัวของเราเองจะบังคับให้ทําอย่างไรก็ได้อา้านั่งเพราะหน้าหน้า ว, วันนี้ก็นั่งเนี่ยอา้าเดินจงกรมก็ได้อา้าวทาบุญให้ทานอา้าวรับสาสินนะได้ทั้งนั้นเ ร, เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจ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 เดินอยู่ทุกวันส่งเสริมอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันเดินขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลานี้นเรื่องวันเดือนปีพวกชาติมันเป็นผลถอยได้ที่จะสืบเนื่องมาเป็นลําดับําดับเช่นเดียวเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันพรุ่งนี้ส่วนผลที่จะได้รับดีชั่วมันขึ้นอยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบจึงต้องพึ่งานาะ เาให้เห็นประจักษ์ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศเรื่องสันทิฏิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาจนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึ่งเห็นภายในตัวเองกำลังเรามีมากน้อยอย่างไรเราก็ทราบผลที่ได้รับมากน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่ภ า, ายในจิตใจ เพราะใจเป็นผู้คอยรับทราบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบเนบกพร่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไปความเร่งอยู่โดยสม่ําเสมอความบกพร่องนั่นก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้เนี่ยไม่ใช่สมบูรณ์วยเพราะความทอถอยความทอถอยเป็นเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลดลงไปและ เป็นสิ่งที่ ก, กั้นกลางสิ่งยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นบรรดาสิ่งที่เราภูมิใจทั้งหลายจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางส่งเสริมมันเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นได้นี่โง่แล้วก็โง่มาพอจะเอาไปแข่งกันได้ยังไงเพราะต่างคนต่างโง่เต็มตัวอยู่ภายในจิตใจด้วยกันจะไปแข่งกันได้ยังไงไม่ใช่เรื่องจะแข่งกันเพราะมันมีด้วยกันทุกคนอื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 พยายามทําความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวเองเนี่ยสัมผัญเมื่อนทันกับเรื่องตัวเองแล้วจ ะ, จะเรียกว่าชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดเนี่ยชนะอะไรก็ตามดังที่ท่านพูดไว้ในธรรมโดยชาติสร้างชาเสนะสั้า ง, งกามีมนุเสชีวิเนี่ยกัญจะเชมัตต์นงังเสวสั้างกามชุดตะโมกก <c oughs> ารชนะนคนอื่นคุณด้วยล้าน ด้วนแล้วตั้งแต่ เ, เรื่องก่อเวรทั้งนั้นน่ะหากินดีที่ไหนมีฟังการชนะเอาคูณด้วยล้า น, น, นถึงขนาดนั้นยังมีด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลยมีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี่เท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดยชนะตนจะหมายถึงอะไรก็ชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเราแพ้อะไรบ้าง เราทราบเราเองในแบบนี้กิเลสทั้งหมดไม่ว่างแง่ใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่ของมันเราก็แพ้ปู่ย่าตายายข้งมันเราก็แพ้เราแพ้ซะทั้งหมดแพ้อย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรๆของมันแพ้หมดถ้าสมมติว่ามันมีมดูดมีคุดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยมูดคุด ม, มันเราก็จะแพ้มันอีก แต่นี่มันไม่มีก็มีแต่ขี้โ ล, ขโลกขี้โกรธขี้หลงว่าไปนั่นแหละคำว่ามูดว่าพูดคำ ว, ว่านี่เสียเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนี่อ่าความแพ้นี่เป็นของดีเหรืออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคําว่าแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพายืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้หาเวลาชนะไม่มีเลยมีศักดิ์ศรีที่ไหนมีความสง่าราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหน เออถ้าธรรมดาแบบลกโรคเขาเราอยากจะผูกคอตายนั่นแหละเออแต่นี่มันเรื่องธรรมนาไม่สุดวิสัยเราช่อเนี่ยพูดกันด้เห็นอย่างนี้และเออมายกขึ้นมาอย่างนี้มันไม่เห็นโทษอ่มะมาตีพวกเรานี่แหละพวกนักแพ้นี่แหละเออผูกครั้งนิดหนึงแพ้อยู่ เ, ออเราไม่เห็นโทษในความแพ้เรามั่งเหรอนี่วิธีปลุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจของเรา เรายังจะแพ้ไปอย่างนี้ตลอดไปอยู่หรือแพ้แพ้หมดอย่างหลุดลุ่ยแพ้อย่างราบอย่างนี้เรื่อยๆหรอแล้วไม่ต้องการชัยชนะบ้างเหรือน่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะอะสาวกอรหันหัท่านเป็นผู้ชนะพระเดียจะเจ้ า, จาท่านเป็นผู้ชนะไปโดยลๆๆําดับลำดับสรณะของเราทั้งสามพุทธังธรังสนาง ส, สนางกฐามิล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเรา แท้อย่างนาคอ่างนาตลอดเวลาสมควรแล้วเหลือจะเป็นลูกศิทธ า, ธาคตหนักหนันไหวอย่เอ ง, เองนี่แหละวิธีปลูกกิจเจ้ของปลูกอย่างนี้จิตมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่ําทําลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้สําคัญที่เราเองเป็นผู้หาอุบายคิตในแง่ต่างๆที่จะปลูกลกิจปลูกจ้างเราให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริง ต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสู่ตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นทางเดินของพระโพธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะกล้าข้อสู่ชัยชนะชนะไปวันลเล็กละน้อยเรื่อยๆไปผลสุดท้ายก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งอยู่กับชนะท่้งนอนอยู่ขณะยุยบดไดชนะหมดไม่ว่าแต่ลูกแต่หลานกิเลสปูญ่าตะลายตะลากิเลสก็ชนะหมดเนี่ย ทั้งสามโลกประธาขึ้นทื่ว่าสมมุติซึ่งเคยผูกพัน จ, จิตใจอันเป็นตัวกิเลยให้เราแพ้มาโดยลำดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสำคัญมากสติกับปัญญาเป็นธรรมมันสำคัญอย่างยิ่ง ส, สัมมาสติสัมมาสังกปูขึ้นต้นนี่นเอาให้ได้ชชนะสิ่งที่มันแวดล้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตบค่อย คอยตกคอยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเราพิจารณาสิมันมีที่ไหนเนี่ยผมมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญางนี้เท่านั้นตัวสาคัญอีกอินมีอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกร่งกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามาทางอารมณ์ต่างๆแล้วเข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกองขันเองเนี่ยสุดท้ายกับกองขันเนี่ย ลบกับเราหรือมันไม่ได้ลบก็ไม่ทราบคือราบอยู่แล้วมันก็ไม่สาดจะไม่ลบอะไรนอนทับถ่ายลาดไปเลยมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับขาดแล้วนี่ทีนเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่เราแก้แก้ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้ศาสตร์อาวุธคืออัตธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณา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 เรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้า ก, ก็นชนะแบบนี้สาวกอารหัตหลานท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่ อ, อ ก, กรรมก่อเวร น, นอกจากนั้นจัดโลกยังได้อาศัยท่านโดยลำดับมาจนกระทั่งบัดนี้นี่ท่านออกชนะตรงนี้เอาพิจารณาไม่เคยหลงอะไรอยู่อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชาติชิงตอนนี้ไม่ปิดบางลี้ลับมีอยู่ภายใตัวของเราร่างกายก็ตวนเราอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั่นปวดนี้ความสลาย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 เราอยู่ที่นี่ก็ขาดเช่นเดียวกับท่านนะนี่แหละเราอยู่ด้วยความบกพร่องไปทุกวันทุกวันนะไม่ได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์วันนี้ขาดไปวันหน้าขาดไปวันหลังขาดไปขาดไปเรื่อยเราบกพร่องไปเรื่อยเรื่องธาตุเรื่องขันหเราเรียนอย่างนี้เรียนธรรมเราไม่อยู่ด้วยความสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมดไปทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราจะนอนใจได้อย่างไงเมื่อเป็นนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อตัวรอดเป็นยอดขนแล้ว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 มันต่างกันแต่วันเมื่อกับเพียงที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้เท่านั้นอ่ะชา้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะ บ, บ้านเช่นเดียวกันหมด<ไ>เวลานี้ยังไม่ขาดเป็นกีเพียงว่าเตือนเรานาทีเตือนวินาทีเตือ น, น, อนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นวินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวันเตือนอยู่เสมอเท่านั้นปีเรื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเรื่อยไปสุดท้ายก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมด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 ควเพียรที่จะทำถ่านเป็นประโยชน์แก่ตนควรทําเสียในวันนี้บัดนี้ใครจะไป ร, ะรู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไหรแน่ทันว่าไว้แั้นบอกไม่ให้เราประมาทพิจารณารูปมันเหลือให้เท่าไรเวลานี้มันเจ็บก็ยังมีเหลืออยู่บ้างเอมันสลายหรือมันแปรสภาพไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทันถ้าเหตุการณ์ที่มันยังเหลืออยู่มันรู้เท่าทันด้วยปัญญา เวทนาตั้งลงพิจารณ์ลงให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั่นแหละไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขานี่ยผู้รู้สามารถจะรู้หนึ่งเวทนาเท่าภูเขาไม่มีอันไดที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะใหญ่โตขนาดไหนเรื่องทุทททกขเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้นี่เปไ็นไงได้ความรู้จะครอบเวทนานั่นหมดนี่ถ้าความรู้มีสตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับ ว่าวมันมีเชือกเชือกขาดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว่าวเชือกขาดเรามีสติปัญญาพิจนาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเอาเกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องของทุกขเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามความจริงข้องหมัแล้วแยกตัวออก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 สังขาทั้งเราเนี้ไปกินไม่มีอะไรมาแบ่งนี่ถ้าเราพิจารณานี่ให้เห็นตามไปกินแบบชัดเจนนะอะไรจะแต่ก็แตกก็เรื่องมันแตกมันเคยแตกมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วมันทางเดินของคติธรรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปกั้นกลางห้ามแม้มันเดินได้อย่างไรอันนี้จังทุกอนัตตามันไปในสายเดียวกันเพราะว่าทุกอันนี้จังท่านบทุกขังอนัตตามาพร้อมกันมันไปด้วยกันให้เรารู้ความเป็นจริงของมันพร้อมๆกันไป แล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนหน้จังยังทุกข์ขังยังต่างไม่ใช่พิจารณารอบแล้วมันปลอดพรพร้อมๆกันบริสุทธิ์พร้อมใขณะที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มภูมิที่นี่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วยอความโสโครกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกแบบความโง่แบบ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 ไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปรไปมีิตรจิตของเราไปรับทราบมาเขาว่าแปรไปถ้ามายึดไม่ถือเขาแล้วก็เพียงรับทราบเท่านั้นเราก็ไม่แบกทุกข์กับความยึดถือในไดทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่เลยท่านมาเอกังจะเชิมมัตตานังตเวสร่างงามรุทนธรรมโอไม่ก่อกรรมก่อเวรกับผู้ใดทั้งหมดแม้แต่กับกิเลสก็ไม่ก่อกิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาก่อก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรก็ตามก่อกรรมก่อเวรได้วันยังํา ชนะไปมากอะไรก่อกรรมมาที่ดูคุมด้วยพันนั่นแหละคือความก่อ ก, ก, กรรมก่อเวรคุมด้วยล้านอ่ะก่อกรรมก่เวนด้วยล้าน น, ก อ, อ, กกกา น, นอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญของผู้ปฏิบัติจะหาศาสน า, าใดมาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผูดด้ใดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติ สำหรับตัวเราเองพ่อพโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดใส่ตนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เราทุกก็เราเป็นคนทุกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาภารกิจอันนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าธรรมะชาล้างสิ่งตัวก็ปกไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเนี่เราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกต้าหลักก่อของพระพุทธเจ้า ถึงจะมีมากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะในคนจํานวนน้อยน้อยนั้นเราเชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนในผู้ตบริษัทอันแท้จริงลูกของพระพุทธเจ้าก็คืออย่างนี้เองพระพุทธเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบจิ์มีครูรู้ยังไงเรารู้แบบจิตมีครูเนะื้อรู้แบบครูก็โดยลําดับแบบเแต่ว่ า, าการที่ดันทำวันนี้มากสมควรข อ, อยุติเครืงไทยนี้